อันนี้ท่านอาจารย์สุจินท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์หลวงพู่ดุลเข้าไปหาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อหลวงปู่เป็นคนบวชให้ลูกประชาเริ่มต้านอยู่กับหลวงปู่หลุยแล้วก็ไปบวชอยู่กับหลวงพูดุลรู้จักกันหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีสองห้าตอนนั้นร้าทางสุรินมอกมากนี่ โยมประโมทมันนี่จะแนะนำให้รูจากโรวงปู่แหวนน้อยท่านฉายาสุจินโหนท่นอยู่แม่สอดนะใครไม่กลัวมา เ, เรียไม่กลัวโรคเ้าช้างไม่กลัวเลือกไครเลือดออกนะก็ไปเยี่ยมได้ท่านใจแข็งนะคนที่เข้มแข็งเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ปฐุม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 รูบาาจารย์แต่และองคนะ์แต่ละองค์นีกว่าจะดีได้ไม่มีฟลุกหรอกแรกมาสาหัสกันแต่ละองค์แต่และองค์งนะีไม่มีลุกๆุกนะภาวนามาอย่างร่มลุกลุกลาญทุกคนทุกคนเลยงั้นพวกเราภาวนาเราอย่านึกว่าเหาะเหาะใหญ่ใ ห, ให่แล้วจะได้คารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนพื้ไม่ต่อเนื่อง หยดอ่อนอยู่ที่ความต่อเนื่องเอาไม่จริงอะ่ะถ้าเอาจริงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใจไม่ถึงหรอกหย่อกใหญ่แย่ทําบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างคนไม่จริงกไ็ได้ของไม่จริงคนจริงๆคนจริงนะต้องใจถึงจริงๆใจถึงจริงต้องเข้มแข็งมีความอดทนอดกลั้นขันตีนะสําคัญมากนะขันตี เ, เก่งแสนเก่งนะแต่ว่าทําหยอะเหยะใหญ่แฉะไม่ได้กินหรอกต้องพักเพียรจริงๆเลยแล้วคำสอนทั้งหลายนะมันสับสนอนลมานมากนะยกเนี้ต้องศึกษาด้วยจริงอย่างเดียวจริงแบบมัวแบบควายใช่ไม่ได้ต้องศึกษาว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาให้ถ่องแท้นคำสอนซึ่งคลาดเคลื่อนนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งน่าสงสาร คนจำนวนมากที่แสวงหาทางพ้นทุกข์แทนที่จะพ้นทุกข์กับทุกข์มากกว่าเก่าก็เยอะนะบางคนภาวนาจนเป็นบ้าเป็นบอแฝงภาวนาจนพิกลพิการนะหลังเด้งคอเด้งเจ็บปวดไปทั้งตัวทรมานเหมือนคนพิการไปเลยก็มีเยอะแยะไปภาวนาแล้วบ้าก็มีเยอะแยะไปเพราไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนอใส่ไว้เชื่อถ้าจะดีแล้ววิธีนี้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 ไปสร้างภพทั้งสิ้นเลยตัวที่จิตที่ทํางานจิตที่สร้างภพนี่เรียกว่าทํากรรมถ้ากิเลสดับนีจิตจะเลิกทํากรรมถ้ายังมีกิเลสอยู่จิตยังทํากรรมอยู่ที่เหลือนั้นเป็นวิบากละตั้งแต่สังขาราปัจจยาวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยตัววิญญาณตัวนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนา ห้อันหกอันอะไรเนี่ยเป็นวิบากทั้งสิ้นเลยทําอะไรไม่ได้นะเป็นผลของกรรมละแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรับอย่างเดียววิบากถัดไปนะที่เกิดจากภพก็คือชาติกระทุกชาติชรามรณะอะไรพวกนี้ความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ละได้ความทุกข์เป็นวิบากอีใช่ไหม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 เพราฉะั้นไม่ต้องมุ่งหน้าดับอาวิชานะมุ่งหน้าทําวิชาให้เกิดขึ้นมาวิชาอนแรกก็คือการรู้แจ้งในกองทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมูทัยอัตโนมัติแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคเมืม่อนั้นงานจริงๆคือการรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว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 ก็ไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรบีบคัน้นดังนั้นให้เราเรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่คู่นี่เองก็คืออารมณ์ทั้งหลายในสติปัฏฐานรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายให้รู้ลงไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิน้นถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันแต่หลังจากนั้นก็ตามรู้กายรู้ใจต่อไปอีกอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าไม่มีใครสามารถดิ้นรนค้นคว้าเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานได้เมื่อวาน เรื่องเมื่อวานมัน้งที่นลวพ่อเล่าให้ฟังว่าที่ครูบาาไปอ่านพระสูตรเจอที่พระพุทธเจ้าสอนบอกพิกิตสูตรทั้งหลายเหมือนชาวนาผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนชาวนาชาวนาทำนากระบวนการทำนาก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นตอนใช่ไหมทำนาก็ต้องไปไถนาขอนไถนาแล้วก็ต้องหวานข้าวดำนาอะไรเงี้ย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 นั้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีสักกายทิฏฐิเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นมีสักกายทิฏฐิหลังจากนั้นก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกงั้นมันเห็นแจ้งข้นมามันก็ตัดครั้งที่สองครั้ ง, งที่สามจนครั้งที่สามน่ใจมันจะเด่นมันรู้ความจริงแล้วว่าการที่จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมช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 แง่มุมของการเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่เหมือนกันนะมีทั้งสามแบบพอเห็นแล้วมันจะสลัดจิตทิ้งไปแล้วไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตแล้วจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกจิตก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติก็คือพระนิพพานนั่นเอง mm hmm. นิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติจาไว้นะนิพพานมีสภาวธรรมมีเรียกว่ามีสันติลักษณ ะ, ะมีสันติลักษณะนี่ส่วนสันติธรรมก็คือส่วนนิพพานนั่นแหละนะ